เดินไกลบินทบาทยังไงก็ไปเพื่ออนุเคราะห์เขาเนี่ยอย่างเงี้ยพระหมหาบุรุษนั้นนะถึงความสําเร็จด้วยความเป็นพระเจ้ดาด้วยปัญญาฉะนั้นการที่จะเป็นพระเจ้าได้เนะี่ยสำเร็จได้ด้วยปัญญาต้องมีปัญญานําหน้าเห็นไห้ที่หลอกตถาคตโพธิที่ศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตัดสรุปของวัฏถาคตก็คือเชื่อมั่นที่พระองค์นั้นการที่จะเดินตามลําดับในสังสารวัฏเพื่อจะตัดสรุปเป็นพระเจ้าเนี่ยอำนาจปัญญานะั่นแหะอำนาจของปัญญา น, ะนั่นแหละญญถึงความสําเร็จแหกรรมที่ทําให้เป็นพระเจ้ดาด้วยกรุณา เอาเลยสิใช่ไหมเมื่อมีปัญญาแล้วไม่พอนะีจะต้องมีกรุณาด้วยเมื่อมีกรุณานี่แหละก็เป็นเหตุแห่งการทํากรรมทํากรรมคือทํากุศลกรรมในการที่จะช่วยสัตว์หรือสัตว์ขนสัตว์ออกจากสังสารวัต ส, สร้างเหตุปัจจัยในการบํำเพ็ญทานอรเมีสีนทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละกรุณาและเต็มเปี่ยมในห้องหัวใจของพระโพธิสัตว์ข้ามตนเองได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าจะเาตนเองข้ามฝั่งได้เนี่ยพ้ะจากวัฏทุกได้เป็นเรื่องของปัญญาและ ช่วยคนอื่นให้ข้ามจากวัฏฏะทุกได้นั้นเป็นเรื่องของหมหาการุณาเนี่ยมันจะยึดโยงกันอย่างเงี้ยปัญญาการุณาจะยึดโยงกันเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงกันกําหนดรู้ทุกข์ของคนอื่นใช่อะไรไปกําหนดรู้เพราะบริษัทเนี่ยจะเห็นความทุกขยากเห็นความลําบากของบุคคลอื่นใช่ไหมเห็นว่าสัตว์อื่นกําลังประสบชาตทิทุกคือความเกิดชราทุกคือความแก่พยาธิทุกขคือความเจ็บไข้มรณะทุกคือความตาย เห็นสัตว์อื่นหาขนทางไม่พบไม่เจอทั้งหลายเนี่ยใช่อะไรเป็นกำหนดรู้ก็ปัญญาเลยเป็นตัวกําหนดรู้ปารบช่วยเหลือทุกข์ของบุคคลอื่นปารบจะช่วยให้คนอื่นพ้นจากทุกข์ด้วยอะไรด้วยกรุณาเห็นไหมถ้าหากว่าไปเห็นทุกข์ของสัตว์อื่นอย่างเราดีนะครับอย่างเราเนี่ยพิจารณาหัวสัตว์โลกเต็มไปด้วยความเดือดร้อนเต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากเต็มไปด้วยความโศก ค, ความร่ําไรลําพันอยากกันนั้นเลยหวางั้นเธอะ เราก็เป็นหนึ่งในความทุกขนั้นด้วยว่างั้นรีบเปลื้องตนออกจากทุกดีกว่าไม่สนใจใครแล้วเนี่ยอย่างนี้กลุ่มนี้กลุ่มสาวกจะเป็นแบบนี้นะฉะนั้นเรื่องเอาตัวเองรอดเนี่ยไว้ก่อนไม่สนใจคนอื่นเนี่ยอันนี้คือกลุ่มปกติสาวกปกติสาวกไม่ได้คิดถึงคนอื่นมากนะคิดนิดหน่อยแต่ที่สุดจริงๆก็มาประชุมที่ตนเองเนี่ยรักอื่นเสมอโดยตนไม่มีจริงไม่จริงเอาบางคนว่ารักลูกมากกว่าย้ำแมวว่า ง, งั้นไหม ระหว่างลูกกับตนเองรักใครมากกว่าเราไปเข้าใจว่ารักลูกมากกว่าตนนะบางคนเนี้ยเอาทำไมเราต้องตามใจลูกทุกอย่างแต่ไม่ค่อยอยากพูดความจริงให้ลูกฟังเดี๋ยวลูกจะรู้ว่าจริงจริงที่แม่ตามใจลูกนั้นเนี่ยเพราะไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์เพราะถ้าลูกเป็นทุกข์แล้วคนที่ทุกข์ยิ่งกว่าลูกคือแม่ไงฉะนั้นความไม่อยากให้ตนเองเป็นทุกข์แหละเลยทําทีทําท่าเหมือนรักลูกมากใช่ไหมล่ะ เอาถ้าหากว่าลูกจะตายก่อนแค่ตัวเองตายก่อนลูกขอตายก่อนทําไมไม่อยากให้ให้ตัวเองตายก่อนเออทาไมไม่อยากให้ให้ลูกตายก่อนเพราะถ้าลูกตายไปแล้วน่ะคนที่เจ็บปวดทุกขี่สุดคือตนความไม่อยากให้ตนเป็นทุกข์นั่นแหละแท้จริงก็คือรักตนกนั่นเองใช่ไหมคือรักตนนั่นแหละความไม่อยากให้ตนเป็นทุกข์นั่นแหละตนทนไม่ได้รับความทุกข์ไม่ได้รับความทรมานไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะตายขอตายก่อนว่าั้น แท้จริงเนี่ยความรักตนของคนมีของคนมีกิเลสเป็นแบบนี้พุทธเจ้าจงบอกรักอื่นเสมอด้วยตอนไม่มีจริงไหมท่านมหาอา้าวท่านมหานั่งคู่กับท่านอาจารย์เนี่ยรักใครมากกว่ากลังตนเองกับคนอื่นใช่ไหมเดี๋ยวก็ถามว่าเวลาไปไหมเราก็ไหมท่านอาจารย์ด้วยเนี่ยจะจะช่วยดับให้ใครก่อน ดับไมไปดับเขาดื่นก่อนวะโมดับตัวเองก่อนเ น, น, นี่ยนี่รักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีล็อกมนุษย์เนี่ยแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพระโพธิสัตว์ไม่เป็นอย่างนั้นสังเกตได้ตอนที่ท่านเป็นพยาวานอนโพธิสัตว์เนี่ยถ้าท่านจะหนีตัวเองเห็นไหมตอนที่ท่านมีพลังมากตอนนั้นน่ะพวกทหารพ่อพระราชาสัง่งว่าค่ายหมดนั่นแหละท่านก็เริ่มคิดพิจารณาทันทีว่าถ้าเราอยู่อย่างนี้เนี่ย คนอื่นบริวารของเราจักเป็นอันตรายไม่ได้มีความคิดอย่างเนี้นะถึงแม้เราจะตายก็ไม่เป็นไรท่านก็กระโดดข้ามเลยเห็นไมกระโดดข้ามจากต้นมะม่วงนี้ไปอีกฝั่งดึงได้อย่างสบายแล้วถ้าอย่างเราแล้วกระโดดข้ามไปแล้ววิ่งหนีไปไหมรอดและสบายแล้วอยู่ตัวใครตัวมันใช่ไหมล่ะแต่ว่าบริษทัทไม่คิดอย่างนั้นนะกลับไปเบสเซ็ตก็ไปดึงเขาวันดึงดึงดึงดึงดงดงดงบเบสเซ็ตก็ ม, ามาัดเอวตัวเองแล้วก็คํานวณ คำนวณความยาวของเทววันคำนวณของการที่จะกระโดดข้ามมาก็กระโดดข้ามมานี่การคำนวณผิดพลาดนี่บูธก็เกาะติดพอดีเลยนะแปลว่าเอาเอาเชือกทววันเป็นมัดฝั่งหนึ่งไม่ได้มัดได้แค่ฝั่งเดียวเอาอะไรแต่นี้ก็ตะโกนบอกลูกน้องบอกว่าเร็วให้รีบฝว่า ง, งั้นบรรดาลูกน้องก็รีบแต่พอมาแต่ละท่านวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ ง, ง, ง, งมาเบสิกก็ทําความเคารพพระโพธิสัตว์ก่อนมหาวานอนโพธิสัตว์ก่อนแล้วก็โดด เหยียบหลังก็วิ่งตายเชือกไปโดยเร็วแต่ละตัวเนี่ยห้าร้อยเนี่ยทกันอย่างนี้หมดไหมทำทำทต้องคิดดูทีแค่วิ่งไปตัวเดียวก็ลาแล้วใช่ไหมตัวเองต้องจับจับกิ่งมะม่วงอยู่งั้นน่วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปอ่ะก็เจอวานนที่อดีตของพระของพระเทวทัตเนี่ยไม่ได้ธรรมดาแล้ววิ่งปืดขึ้นไปบนบนยอดมะม่วงนี่เล่นเล่นเล่นกีฬาแล้วมาเบสเสร็จแคนมาก ต้องการอยากจะเป็นจ่าฝูงมานานแล้วก็โดดขึ้นไปสูงๆแล้วก็ตัวน้ําหนักทิ้งลงทิ่มลงมาโยนลงมาก็เหยียบที่หลังพระโพธิษัตวกระดูกสันหลังของโบธิสัตวก็เคลื่อน ก, ก็บอกว่าในสำนวนคําสอนว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์แตกสลายแล้วก็ปุบแต่ว่าท่านก็เกาะเขาไว้เกาะเข้าไว้เพราะกลัวว่าวานนอนตัวนี้จะเป็นอันตรายนะอัตฉรยะสายท่านก็คือเราตัดสรู้แล้วจะให้ อวานอนแสนสนพูนเนี้ยตัดสรู้ตามด้วยนี่อัตจฉสายยิยะใสไงทาได้ไหมเล่าก็เหมือนอย่างพระโพธิสัตที่ที่ตอนที่ท่านเป็นพยาวานอนอีกชาตินึงนีะที่ว่าช่วยที่ตกไปในเหวอ่ะช่วยแบกขึ้นมาแบกไอในพานที่ในพานเป็นวิชาทิฏฐินี่แหละไอเนี่ยแบกแบกขึ้นมาบนบนเหวได้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราขอพักก่อนเราหมดแรงแล้วว่างั้น ก็นอนพักไว้เบสเสร็จไอ้เจ้านี้พอพอขึ้นมาบนบนหน้าผาได้ก็คิดรามกอีกนะเอ๊ะเราก็หิวมานานแล้วเนื้อลิงนี่ก็กินได้เนี่ยเราจะได้ออกจากป่าก็คว้าเอาก้อนหินมาก็ทบหัวพระบริษัตวอีกเนี้ยพอทบป๊บขึ้นมาน้ําตาของโพธิษัตวก็ไหลก็คิดเอ๊ะคนพานแต่ท่านคิดยังไงเราตัดสรู้แล้วจะให้คนที่ทบหัวเรานี่ยตัดสรู้ด้วยเงี้ยการคิดแบบเนี้ยถ้ามีใครเอากระ บ, บองทบหัวท่านอาจารย์ตูม เราจะมองไปเราจะเราเราจะคิดอย่างท่านได้ไหมเราตัดสรุปแล้วจะ <c ười> คิดไม่ออกไนะแบบนี้จะไม่รออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยลักษณะพระโพสัตว์ท่านเวลาท่านบำเพ็ญบา ร, รมีท่านจะไปมุมเนี้ยไปไปแบบเนี้ยก็คือในที่สุดจริงอ่ะไลิงตัวนี้ก็ขยมขยมขยมไปเรื่อยอ่ะขย่าวขย่าวขย่าวขย่าว พอไปถึงฝั่งนั้นพระโพธิสัตว์กระลวงตบลงมาเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่นี่คือมหากรุณาเนี่เป็นอย่างนี้แหละยังคนอื่นให้ข้ามได้ด้วยกรุณากําหนดรู้ทุกข์ของคนอื่นด้วยปัญญาปารถช่วยช่วยเหลือทุกข์ของคนอื่นด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในทุกข์ถามบอกว่าคนที่บําเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยานปัญญาแก่แก่กล้าขนาดนั้นเนี่ยท่านเบื่อไหม เบื่อความเกิดเบื่อความแก่เบื่อความเจ็บเบื่อความตายเบื่อสังสารวัฏไหมว่าเบื่อมากเพราะปัญญายิ่งมากเท่าไรก็เห็นโทษของว่ตามากเท่านั้นแหละญานปัญญามีกําลังมากเท่าไรก็ยิ่งเห็นภัยของวต่ต้าว่างั้นเแอะว่าไม่น่าเย็นดีไม่น่าเพลิดเพลินควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกําหนัดแต่ทําไมท่านไม่รีบบรรลุแล้วก็เนี่ยกรุณาไงก็เห็นทุกข์ของคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยถ้าเราบรรลุเสียเนี่ยคนอื่นเขาจะอยู่กันยังไงเหมือนพ่อแม่นะ ไม่อยากตายถ้าเราตายไปแล้วลูกจะอยู่ยังไงเนี่ยว่า ง, งั้นเดีเนี่ยตาดําๆกันทั้งนั้นเลยว่า ง, งั้นเดีลักษณะอย่างเงี้ยแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นหวังอยากจะช่วยลูกเพียงชาติเดียวแค่นั้นแหละแล้วพ่อแม่โดยมากก็หวังจะช่วยลูกทางด้านหาข้าวกินมีปัญญาหาข้าวกินแต่ไม่เคยคิดหรอกว่าถ้าคิดอยากจะช่วยลูกจริงๆเนี่ยทำยังไงชาติต่อไปไม่ให้ลูกตกนรกใครคิดแบบนี้แล้วถ้าเงี้ยรักลูกจริงก็คิดรักแบบเนี้ย ใช่ไหมแล้วทำยังไงชาติต่อต่อไปเนี่ยวางแผนให้ลูกยังไงไปชาติที่สองจากชาตินี้แล้วลูกจะไม่ตกนรกและลูกจะได้ศึกษาคําสอนของพระเจ้าพัฒนากระแสชีวิตของตนเองเดินตามรอยบาทประสาสดาและพ้นจากวัตทุกข์ได้วางแผนที่หนึ่งแผนที่สองแผนที่3 4มี่ห้าวางเต็ปให้ลูกไว้ตามลําดับเท่เงี้ยรักลูกจริงไหมเอออย่างเงี้ยคือ ร, รักกันจริงแต่ถ้ารักไม่จริงก็แบบเนี้ ทําไงลูกไม่มีข้าวกินหาข้าวให้ลูกกินลูกไม่มีบ้านก็หาบ้านให้ลูกลูกไม่มีรถก็หารถให้ลูกลูกไม่มีของใช้อะไรต่างก็หาอันนี้เขาเรียกว่ารักเรื่องรูปประคันห่วงรูปประคันของลูกแต่ไม่ห่วงตัวจิตใจของลูกว่ามันจะคิดผิดคิดถูกยังไงแล้วจะวางแผนชีวิตเนี่ยให้กับลูกในภพชาติต่อไปยังไงเป็นต้นท่านอาจารย์เวลามีลูกศิษย์สอนลูกศิษย์เนี่ยวางแผนให้ลูกศิษย์ไหม ว่าเดี๋ยวชาตินี้เอาแล้วเขาจะทําเขาจะอยู่ด้วยกุศลอย่างไงและชาติต่อไปเนี่ยไอ้ลูกศิษย์คนนี้ไม่ตกนรกแ น, น่ๆเวลาสอนบาลีเป็นงยังไงท่านอาจารย์วางแผนแบบนี้ทุกครั้งไหมวางแผนเลยมั้บอกวอก้ห้ามตกนรกเด็ดขาดนะชาติต่อไปเนี่ยเ อ, อห้ามทําแบบนี้นะเะไรต่างวางแผนแบบนี้ไหมเลือแล้วแต่สอนในบาลีอย่างเดียวพอ ถ้าท้องวยากรณไม่ได้เตี๋ยวทำโทษเลยอเอต์น่าจะมีนโยบายแบบนี้บ้างนะนโยบายก็คือว่านอกจากสอนให้รู้บาลีแล้วว่างั้นเดี๋ยวให้สอนรู้หลักการของชีวิตที่ทำยังไงจะไม่ตกนรกด้วยชาตินี้ทำไม่ผิดด้วยและไปชาติหน้าสามารถมีสุขติเป็นไปในเบื้องหน้าด้วยก็เหมือนอย่างพระนาคสมารเาเทระน่ะท่านวางแผนระยะยาวของท่านท่านบูชาพระาธาตุเห็นไหมท่านบูชาพระาธาตุ สร้างพระธาตุบูชาพระธาตุอะไเบ็ดเบ็ด เ, เสร็จเนี่ยพอสร้างเบ็ดเสร็จปุ๊ปบเนี่ยต่อมาท่านก็เวียนไหวตายเกิดในสังสารวัตใช่ไหมล่ะแล้วท่านก็มาพูดท่านเองตอนในยุคที่เป็นสาวกพทะเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าด้วยอดีศงแห่งการบูชาพระรบรมสารีเลกาธาตุของท่านเนี่ยสร้างพระธาตุของท่านเบ็ดเสร็จอย่างเงี้ยท่านบอกว่า80สิบกราบท่านไม่เคยรู้จักทุกขติเลย เออนี่ปิดอภัยภพได้ทั้ง80กราบนนเนี่ยเนี่ยบุญที่ท่านทำเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่บูชาอย่างเดียวนะท่านเดินตามรอยคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยปฏิบัติตามด้วยเป็นไปตามลําดับด้วยท่านวางแผนชีวิตของท่านเนี่ยแล้วท่านบอกว่าวิชาสาท่านก็ได้มาจากนี้แหละว่า ง, งั้นเธอสร้างพระาธาตุบูชาพระโสมสารีเทพธาตุนี่เป็นต้นเนี่ยว่า ง, งั้นเธอแล้วอภิญญาหปฏิสัมพิทายานสแล้วตอนนี้ท่านกระทํากิจในศาสนาจบสิ้นแล้วเนี่ยท่านก็ประกาศยืนยันอย่างเงี้ย เอ้ออนี่จะวางแผนไว้เนี่ยอย่างนี้คือคนวางแผนชีวิตนะพระธรรมทวดวางแผนตนเองเรียบร้อยแล้วมั้งเนี่ยวางว่าศึกษากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะทุกคนคงไปเขียนโปรเจกวางแผนชีวิตตนเองได้เรียบร้อยนะเขาเรียกว่านโยบายข้ามชาตินะี่ก็แล้วกันใช่ไหมล่ะไปวางแผนชีวิตไว้ว่านโยบายข้ามชาติคือคืออย่างนี้นะว่า คือยังไงยังไงไปชาติหน้าก็อย่าให้ต่ําต้อยกว่าชาติเนี้万่ถ้าเสียแชมป์จะเสียหายเลยใช่ไหมล่ะรักษาสถานภาพไม่ได้ในยุ่งเลยตรงนี้ก็คือว่าปาลบช่วยเหลือทุกคนอื่นเป็นกรุณาเบื่อนายในทุกข์เป็นปัญญานะโดยปัญญารับรู้ทุกข์ของคนอื่นด้วยกรุณาและเป็นผู้มุ่งต่อนิพพานสภาพของการมุ่งต่อนิพพานนุ่งมุ่งต่ออนุปาธาปริญนิพพานมุ่งต่อการดับวัตถทุก์ เพราะงั้นปัญญานั่นแหละเป็นตัวมุ่งถ้าปัญญาปัญญาไม่เกิดอะมนุษย์จะคิดกันไม่เป็นหรอกแต่เพราะปัญญานี่แหละเกิดขึ้นมาปัญญามีระดับแรกจริงๆคือกรร ม, มสกตาปัญญาปัญญาที่ไปฉลาดในเรื่องกรรมทั้งกายกรรมวิญญนกรรมทั้งที่เป็นกุศลอกุศลนี่แหละว่าอากุศลกรรมให้ผลเป็นทุกข์กุศลกรรมให้ผลเป็นสุขตัวยานปัญญาเข้าไปทะลุทะลวงแล้วมันเข้าใจไงพอเข้าใจเบรเสร็จก็วางแผนชีวิตเราตนเองจะประกอบกุศลกรรมยังไง ที่จะทำให้กระแสะชีวิตของตอนเองนั้นไม่ตกต่ำจะไหมในการต่อไปในการข้างหน้า น, นี่เขาฉลาดในเรื่องกรรมสำคัญที่สุดจะไหมนี่ปัญญาเบื้องต้นของพุทธบริษัทเลยแหละถ้าไม่มีตัวปัญญากรรมสกตาปัญญานะไม่มีความฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมชีวิตก็อยู่อย่างเรื่อยๆอยู่อย่างมึนๆไปวันๆในนี้เสียหายมากเลยนะเช่นวันนี้ทาอะไรก็ไม่ได้ทาอะไรแล้วนั่งอคอย ไปดูราคาผ้าไปวันวนี่แหละว่างั้นเธอใครมาถามเท่าไหร่ก็บอกเขาไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างเนี้แหละสมมติอย่างนี้ยนะถามว่าแล้วทำไงก็เนี่แหละมืดลงก็นอนหลับตื่นขึ้นมาก็มาเปิดร้านใหม่ปัดฝุ่นดูแล้วก็บอกราคาขายไปวันวันอย่างเงี้ยว่างั้นอ่ะอย่างนี้นน อ, อย่างางี้ยังไม่พอนะต้องนึกกระจใจว่าเออเนี่ยเราจะได้กุศลอย่างไงเนี่ยเราจะได้กุศลอย่างไงหรือหรือหรือถ้าสมมุตินะถ้ามาเนี่ยอาจจะมาตื่นขึ้นมา เออเดี๋ยวก็ได้เวลาหกโมงขึ้นแล้วเดี๋ยวเอาไม้ได้ไปฉันพอฉันเสร็จเดี๋ยวมันนอนสักหน่อยก่อนถึงเวลาได้มานั่งสอนก็สอนไปงั้นแหละว่างั้นนะไม่ได้คิดเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรเราสอนทำท่ามึนๆไปหมดเวลาก็เดี๋ยวไปฉันเพนต่อ พอชันเพนเบเสร็จก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำท่าเอ็นหลังพักสัก น, นิดนึงพอพักนี่น่อเดี๋ยวบ่ายโงเดี๋ยวเดี๋ยมาสอนต่อว่า ง, งั้นสอนต่อไปถึงบ่ายสามงแล้วเบรกเบรกก็เดี๋ยวไปฉันน้ําชาคาแฟต่อว่า ง, งั้นจะพอฉันเบ็เสร็จเดี๋ยวเขมาต่อไปหน่อยถึงสี่โมงกลับไปได้อาบน้ําแล้วพักผ่อนแล้วก็นอนแบเงี้นะไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็ทําเป็นหน้าที่ว่างั้นนะเป็นหน้าที่โอ้อย่างนี้ไม่ได้บุญนะถ้ามาคิดอย่างเงี้ยหือถ้าผมคิดอย่างเงี้ยไม่ได้บุญเลยนั่นได้ อย่างั้นก็เหมือนก็มาทำงานปกติธรรมดาแต่มันต้องมีกรรมสกตาปัญญาที่ทุกคําพูดเนี่ยเปล่งมาได้จิตที่เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ทุกการกระทําเนี่ยมาได้จิตที่เป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้ใช่ไหมล่ะทุกความคิดเนี่ยเป็นบุญก็ได้เป็นบาปก็ได้เราก็ต้องป้องกันนี่อย่าให้บาปมันเกิดใช่ไหมล่ะเพราะเราเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมนี่บาปให้ผลเป็นทุกเนี่ยบุญให้ผลเป็นสุขเนี่ยแล้วเราจะ เขาเรียกว่ากรรมดําให้วิบากดําอ่ะพวกฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในาการมนี่ยอพูดเท็จส้อเสียดคําหยาเพื่อเจอะใช่ไหมอ่าล้วก็บอกเอ้เราก็ทําถุกเนี่ยแล้วโลภไหมล่ะในขณะที่พูดเนี่ยมีความโลภเกิดขึ้นไหมถ้าโลภมันผิดนะใจมันโลภอะ่ะเช่นว่าเออเนี่ยมาบรรยายทําครั้งนี้ดีนะเนี่ยจะได้มีคนเคารพนับถือเยอะๆถ้าคิดลามกอย่างเงี้ยเสียเลยนะเนี่ยนี่นะถ้าผู้บรรยายคิดแบบนี้นะ โอ้โหข่าวนี้สบายแล้วมาบรรยายอย่างเงี้ยต่อไปคนจะได้นับถือเยอะๆ <c oughs> ว่า ง, งั้นเถอะลาบสการ่าจะได้เกิดจะคิดอย่างเี้เสียเลยนะถ้า ถ, ถ, ถ้าผมคิดอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียวกว่ามุ่งลาบไงมุ่งลาบสกาล่างนั้นตรงนี้ก็ต้องเนี่ยก็คือการที่จะปาดไอ้ก ร, รรมสกตาปัญญาเนี่ยเบื้องต้นและที่สุดจริงๆการจะเข้าถึงพนันธิภานได้ขึ้นด้วยปัญญาแปลกไหมการถึงพนันธิภานได้ไม่ได้บังเอิญบงับ ง, บงเอิญบรรลุมี ม, ม, มีมีไหม มีสักองไหมที่ท่านบอกว่าแม้ที่ท่านบรรลุมาได้มันบังเอิญ น, น่ย ท, ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรมาเลยเนี่ยเป็นนั่งเฉยเฉยมืนมืนอยู่เพเอิญมันบรรลุมาอย่างนั้นแหละแบบบรรลุแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยยอ ม, มจริงมหมยอมข้างหลังจริงไหมฟังทำแบบเออพอดีนั่งหลับๆตื่นๆพอดีมันแวบขึ้นมาบรรลุเองเนี่ยไม่มีหรอกมันเกิดมาจากเขตปัจจัยเกิดมาจากการสั่งสมอบรมทั้งนั้นแหละนั้นไม่ไม่มีเรื่องบังเอิญแต่มีเรื่องการการฉลาดในเหตุถึงวัตตะได้ด้วยกรุณานะ หรือมุ่งต่อสงสารด้วยกรุณาแหละถามบอกว่าการถึงวัตตะด้วยกรุณาแปลว่าทำไมท่านต้องกล้าเล่นกับวัตตะเอาพระโพธิษัทเนี่ยทำไมปกติก็เหมือนบอกว่าท่านจะบรรลุอยู่แล้วต่อหน้าพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะถ้าท่านฟังคาถาไม่ถึงสี่บาทคาถาเอาดูขนาดปัญญาอย่างภาษาริบุตรขนาดสร้างบา ร, รมีไม่เท่าท่านนะภาษาริบุตรฟังจากพระสชีใช่ไม บอกทําเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดเนะ่ยเยธรมมาเหตุตุปปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตอาหารเตสังจ่าโยนิโรโทจะเอวังวาทีมาสมโนนทาเราใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระต ถ, ถาคตเจ้ากล่าวถึงเหตุและความตับเหตุที่ทำเหล่านั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้พอพูดแค่นี้ได้ บ, บรรลุแล้วเนี่ยแต่พวกเราก็ท่องกันมาใช่ไหมตอนเรียนตอนอะไรต่างๆเนี่ย ท่องมาตั้งหลายรอบแล้วมันในท่องป๊อมันก็เฉยๆเป็นเพราะอะไรอมันทำไมไม่แวบๆในใจบ้างอา้าเพราะอะไรท่านาานว่าเพราะอะไรเราก็เราก็อ่านมาสอบมาเรียนมากันใช่ไหมว่าทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้ากล่าวทึงเหตุและความดับเหตุของทำเหล่านั้น ตรงนี้ถ้าถ้าถ้ามองตรงเนี้ไอ้ท่านอาจารย์มหาไอ้ทำเหล่าใดทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดอันนี้หมายถึงอะไรทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด <c oughs> เออ ต, ตรงนี้ตรงนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมครับทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด เอาธรรมะอะไรที่มีเหตุมีเหตุเป็นแดนเกิดพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรมีอะไรเกิดจากเหตุหลังนั้นเธออะไรเกิดจากเหตุกระแสของตาหูจมูกลิ้นกายใจกระแสของรู ป, ปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยกระแสของชีวิตของสัตว์ทั้งหลายรูปกายกับใจเนี่ยรูปกับน้ําเนี่ยอันนี้มีเหตุเกิดมาจากเหตุปจัจจัยไหมเนี่ยตัวนี้เป็นตัวอุปาทานขันห้ นะคําว่าทําเหล่าใดในที่นั้นเป็นชื่อของนี่แหละกระแสะของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กําลังดําเนินอยู่นี่แหละอันนี้ตัวตั ว, ตวทุกข์สัตว์มีเหตุเป็นแดนเกิดกล่าวถึงสมุทยัยสัจจานะกล่าวถึงสมุทยัยสัจจะแท้จริงนะพอพูดถึงสมุ ท, ทยัยคือตัณหานี่นะพูดถึงอวิชชาคือความมืดบอดในอดีตด้วยพูดถึงกรรมที่เป็นเหตุเป็นปจัจจัยที่ทําให้กระแสะชีวิตเกิดในปัจจุบันนพบนี้ด้วย พูดถึงตัวอุปาทานคือความยึดมั่นในอดีตด้วยที่เป็นเหตุทําให้กระแสชีวิตเป็นไปอยู่ทําไมเราถ้าเราจะเบื่อเนี่ยเชื่อไหมเราก็เบื่อในอัต ภ, ภาพที่มันแก่เท่าเขท่านั้นแหละแต่เราไม่เคยเบื่อว่าเอ๊ะทามันเกิดใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมเนี่ยมันเบื่อไหมเบื่อไหมว่าอ้มเกิดใหม่ก็ไม่เอาแล้วว่างั้นเดี๋ยไม่เอาเพราะความเป็นหนุ่มสาวมันก็บ่งบอกเดี๋ยวก็ไ ด, ได้ได้ความชลาตามมา ความไม่มีโรคก็ได้ความมีโรคตามมาใช่ไหมเราความเกิดก็ได้ความตายตามมามันมองเห็นเป็นอันเดียวกันได้เ ม, มื่อไหร่แล้ก็จะกลายเป็นโอ้นี่ไ ม, ไม่ไม่น่าไม่น่าเยินดีไม่น่าเกิดอเพืเห็นไหมถึงว่าตะด้วยกรุณาก็แปลว่าคนที่กล้าเกิดกล้าตายกล้าเกิดกล้าตายทั้งๆที่จะพ้นทุกข์ก็ได้ถ้าไม่มีกรุณาจะมีอะไรไหนถ้าหากคนมีกรุณาในใจน้อยอดบรรลุหมดไม่ใช่ไปว่าพระละหันท่านนะ พระอรหันต์ท่านเนี่ยท่านท่านบอกท่านไม่ไหวแล้วจะให้ท่านไปกรุณาคนอื่นท่านบอกกรุณาไม่ไหวด้ขนาดนั้นหรอกพระอรหันต์ท่านคิดอย่างนี้แหละท่านรีบพ้นทุกข์เพราะท่านลําพังตัวเองท่านก็บอกว่าเนี่ยกว่าจะฉลาดในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วทำให้ตัวเองพ้นทุกข์ได้ก็แทบแย่ไหนเลยท่านจะต้องมาแบกภาระคนอื่นดีท่านบอกท่านไม่ไหวแต่ความคิดของพระพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นบอกว่าต่อให้วัฏตะยืนยาวขนาดไหนเราก็จะสู้ เราก็จะสู้เราไม่ทอ้อเราจะเพียรพยายามในการที่ตรากตราเนี่ยว่างั้นเดี๋ ว, ว่าบากบานเพียรพยายามไม่หยุดยัง้งวัดตะมันจะขยายยาวแค่ไหนตัวเองจะทุกข์ทรมานขนาดไหนใช่ไหมเราเราก็จะเพียรพยายามในการที่คนสัตว์หรือสัตว์ไปได้ยังไงเนี่ยเต็มไปหมดคนมันหลงทางเต็มไปหมดลองลองอยู่ที่อินเดียเนี่ยเราเห็นชัดไหมเระถ้าถึงเทศกาลที่เขาไหว้พระเจ้าขเขาเนี่ยไหว้ไหว้จงแม่เลยเขาเนี่ยคนเป็นหลักล้านเนี่ย ดูความมืดบอดดิเนถ้เห็นอย่างเงี้ยคนที่เจริญเป็นพระโพธิสัตว์เห็นแล้วโอ้โหไม่ได้เลยนะสักวันหนึ่งเราจะมีพลังเนี่ยอำนาจและจะกลับใจสัตว์เหล่านี้ให้ได้เขาคิดอย่างเงี้ยนะพระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่เห็นคนหลงผิดมากๆแล้วโอ้โหกินลูกทอไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยมันจะสอนอยังไงว่างั้นนะอย่างงี้จะสอนอยังไงเราไม่ต้องถึงขนาดไปสอนคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้า น, เ ป, น, านเป็นกดโกรธใช่ไหมอย่างพุทธยนะิย้าเนี่ยเทศนาการแรกทำมาจากกั บ, กบประวัตนาสูตรเนี่ย ท่านัญญาโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมหนึ่งพรหมอีกสิบแปดโกดลงโดยนี้ท่านค้นสัตว์หรือสัตว์เนี่ยแล้วเทวดาไม่นับนะเห็นไหมนะท่านัญญาโกนทัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นปัสรดาบใช่ไหมท่านอาจารย์หนึ่งแต่พรหมสิบแปดโกดโกดละสิบล้านเนี่ยเท่าไหร่ท่านอญญาจรย์เท่าไหร่สิบปดโกดนี่นับกี่ล้านน <180. S 1> ฮะร้อยแปดสิบล้านท่าน ญ, ญาณต้องคิดไวๆหน่อย วันนี้ที่น้ำพิธาเข้ามันทําให้ชาในตัวทีน้ำพิธาเนี่ยมันทำให้คิดชาเหมือนกันนึงเนี่ยใน ไ, ไม้ก็ไปกันหมดแล้วร้อยแปดสิบล้านาคือพรหมและเทวดาไม่นับแต่ที่แน่ๆนะคือไม่มีพวกเราอเท่าไหร่ในนั้นไม่มีเราเลยผมเชื่อไม่ใช่เราอยู่ในนั้นเลยอันนี้นี่เป็นเรื่องน่าตกใจไหมล่ะเนี่ยวเวลาเขาบรรลุเยอะๆเนี่ยน่าน่าน่าตกใจนะ ตอนที่พุทธิย่าแสดงรัตนสูตรเนี่ยที่เราแปดหมื่นสี่พันแปดหมื่นสี่พันเนี่ยไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยไม่มีเลยตอนแสดง อ, อ, อาทิตตปริ ย, ยสูตรเนยชดินสามพี่น้องพร้อมเดวีวันพันธก็ไม่มีเราใช่ไหมลองลองมาตามลําดับที่พุทธิย่าแสดงทำเน่ยสัตว์บรรลุกันเยอะแยะเบียดเสด็จแม้แต่ตอนที่พุทธิย่าจะขึ้นดาวดึงเน่ยสัตว์ได้บรรลุสองร้อยล้านเนตอนเชตังเขตะวันน่ะที่แดนย ม, มกอ่ะ นั่นน่ะบริเวณนั้นน่ะประชาชนสองร้อยล้านได้บรรลุแต่ไม่มีพวกเราเป็นนั่งบรรลุบนตรงนั้นกลับลงมาอีกหลังจากสมเดือนลงที่สังกษาตนครห่างไปอีกสามรอกว่ากิโลตรงนั้นสัตว์ได้บรรลุอีกสามรอล้านแต่ก็ไม่มีเราอีกไล่ไปตามลำดับเถองเขาบรรลุกันเป็นแถวแถวแล้วยิ่งยุกพระมาเห็นท่าเถระไปประกาศศาสนาที่ลังกาก็าบรรลุเยอะแยะไปเสร็จแต่แล้วเราไปอยู่ไหนกันไม่อยู่ไหนไปทําอะไรกันอยู่อ่ะ หรือจะมาเป็นพระธรรมทูโษอินเดียเลยไม่ยอมบรรลุนี่แ <c oughs> มบไปตั้งหลักไว้อย่างนี้ไม่ค่อยดีเลยใช่ไหมท่านอาจารย์ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยตั้งใหม่ดีกว่าทีนี้ถ้าบรรลุได้เมื่อไรไปก่อนดีกว่าใช่ไหมหรื อ, อยังห่วงวัดสร้างไม่เสร็จ <c oughs> ตรงเนี้ลาบากกลับไปก็กลับไปก็ไปบอกญาติโยมเลยนะไอพ้พราะวัดหลังนี้ไอ้อวัดวัดไอ้พ่อไอ้วัดวัดนี้อะไรทำให้ชั้นบรรลุไม่ได้ ไไม่ได้ไปโยเป่าวว่าเดี๋ยวบาไปทำลายสมบัติพุทได้ย้าวคิดจะวางแผนชีวิตเหมือนพ่อนาคาสมารเทลาใช่ไหมเนี่ยกล่าวว่า80ดสิกับจะไม่ลงอบัยภูมิน ต้องมีตัวอื่นช่วยด้วยทีนี้ตรงนี้ก็คือเนี่ยมุ่งต่อสองสารวัตด้วยกรุณาไม่ยินดีในสังสารวัตนั้นด้วยปัญญาโดนคานกันตลอดเวลานะเออถ้าถามว่าไปเที่ยวแล้วจะไม่ให้ยินดีในการเที่ยวทําได้ไหมครับเอาละเราจะไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยเพรางั้นแต่เราจะไม่ทําจิตยินดีในสวนสนุกนั่นเลยทํามีมีปัญญาในจบเพลเลยนะใช่ไหม คือไปเห็นสวนสนุกทุกสวนสนุกที่เขาจัดแสดงกันต่างๆแสดงตัวละครเขาแสดงหน้าแสดงตากันออกมาเห็นก็เบื่อหนายมากแต่จําเป็นต้องไปเที่ยวนี่ น, นปัญญาจะต้องไปตัวคำคำจุนอย่างเงี้ยเนี่ยฉันไปงานมหรสพไปงานรื่นเริองอะไรต่างๆแต่ไม่เคยยินดีเลยแม้แต่น้อยแต่ก็จําใจต้องไปเพราะกรุณาไง การูนาเนี่ยแหละเป็นตัวยืดโยงทําให้ตัวเองยังไม่ออกก่อนตอนนี้เราต้องเพิ่มศักยภาพตนเองให้มีพลังอย่างมหาศาลหนึ่งพลังของศีลพลังของสมาธิพลังของปัญญาพลังของวิมุตติพลังของวิมุตติญาณทัศนะต้องสูงสุดเพราะงั้นเดีเยวปัญญาอย่างธรรมดาก็เปลียนแค่ข้าวภาษาวก็ไม่สามารถค้นสัตว์หรือสัตว์ได้ใช่ไหมเราระดับพร ะ, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าเอางี้นะ เออถ้าหากว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่เนี่ยนั่งอยู่นะครับบรรดาพุทธบริษัทถามปัญหามาพร้อมกันเลยนะทั้งสี่ทิศห้าทิศเนี่ยถามปัญหามาพร้อมกันแล้พวพระพทเจ้าตอบตอบพร้อมกันได้หมดเลยนี่คือความเร็วพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเร็วมากนะพระชิวหาของพระบรมศาสดานี่มีความอ่อนนะพิ้วมากขนาดพูดเร็วเนี่ยแต่เสียงไม่พลามัวเลยครับ เสียงกลมกล่อมเสียงนุ่มนวลเสียงกล้องกังวานเสียงไพเราะสนอโอทแล้วก็ลึกว่างั้นเวลาพระบรมศาสตราเทศนาอย่างที่ได้กล่าวไว้บอกว่าถ้าประชากรแสนล้านคนเนี่ยฟังพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นะว่างั้นคนละภาษาด้วยนะพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นภาษามาคตภาษาเดียวเนี่ยแต่เวลาไปกระทบโตาาสตประสาทของประช า, าสัตว์แล้วก็จะกลายเป็นภาษาของตนของตนไปเลยนะว่างั้น อันนี้คือคือคือความวิจิตของพระบารมีของพอระพุทธเจ้านะนี่น่ยบา ร, รมีเป็นแบบนี้นเนี่ยตรงเนี้ยฉะนั้นการความเบื่อหน่ายนะและหน่ายในที่ในที่ทั้งปวงด้วยปัญญานะคือถ้าถามบอกว่าไม่ยินดีในสังสารวัตรด้วยปัญญาเนะี่ก็แปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอลไรบอกเบื่อหน่ายสังสารวัต ด้วยปัญญาที่เบื่อนายเบื่อหนายคอยตามอะไรนะคลอยตามกรุณาคลอยตามกรุณานะครับจึงอนุเคาอสัต ว, ว, ว, วต์ทั้งปวงโดยไม่ว่างเว้นด้วยอนุคอสัตว์แม้ทั้งปวงด้วยกรุณานั้นแม้ไปนะที่ไหนก็คลอยอักกรุณาสัตว์ตลอดสัตว์นั้นจะเป็นญาติไม่เป็นญาติจะเป็นพี่เป็นน้องอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็มีความกรุณาในสัตว์นะมีความกรุณาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คลอย พราคล้อยตามปัญญาจึงมีจิตนายในที่ทั้งปวงนะถามบอกว่าในกรณีที่จะต้องเป็นไปตามต่างๆขยายวต่ตะอย่างยาวไกลเนี่ยแต่ก็มีตัวปัญญา น, นั่นแหละเป็นตัวรักษาทําให้ตนเองไม่เพลิดเพลินไม่เพิไม่เพลิดเพลินแม้เบื่อหน่ายขนาดไหนก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะกรุณาไปยึดโยงยึดโยงกษัตริย์โลกไว้ว่าถ้าเรามีพลังแค่นี้ยังไม่เพียงพอต่อการจะตัดสู้อต่อการจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะขนสัตว์หรือสัตว์ก็ย่ยังไม่ยอมตัดสู้ใช่ไหม ถ้าตัดสิรู้ก็ไม่สามารถเป็นพระเจ้าได้เป็นต้นมีความเป็นผู้ไม่มีอาหางการมามังการด้วยปัญญาอันนี้ไปเชื่อมานะในะอาหางการมามังการเนี่ยไอมาณะกับทิฐิเนี่ยนั้นต้องอาศัยปัญญานั่นแหละอย่าลืมนะคนมีปัญญามากมัก่ง ม, มีมาณะมากครับมีทิถีบุรีแรงรูงเกตดูไหมและคนคิดอะไรได้มากๆนี่นะไอทิฐิจะมีกําลัง คนที่ฉลาดคิดอะไรได้เร็วๆๆ ๆ, ๆเนี่ยต้องระวังอยู่ตัวหนึ่งนะระวังตัวมานากระทิฐิฉะนั้นไอ้ตัวมานากระทิฐิเนี่ยมันจะคอยมันจะคอยอะไรวิ่งตามแต่ปัญญาเพราะปัญญาคิดเรื่องอะไรได้มานาก็มาจับปุ๊บนี่เราคิดได้มันจะยกตนข่มท่านอยู่เลยแหละหรือถ้าเราฉลาดคิดอะไรได้ปุ๊บมาอ้ทิฐิก็มาจับปุ๊บทันทีแล้วอัตตาตัวตนเป็นพวกคิดเห็นเป็นอัตตาเห็นเป็น ตัวตนเป็นตัวคิดเลยว่างั้นเถอะแล้วก็จะยึดอัตตา น, นั้นต่อไปเนี่ยฉะนั้นคนที่มีคิดอะไรได้ต้องระวังไอ้ตัวอหังการมามังการเนี่ยว่างั้นนะไอ้ตัวตนไอ้ตัวมานาทิฐิเนี่ยไอ้ตัวนี้ร้ายกาศมากเลยสําหรับคนมีปัญญาทั้งหลายนี่นะเบื้องต้นที่เรายังประหารเขาไม่ได้แต่เราจะต้องเดินปัญญาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะจะพัฒนาปัญญากลายเป็นพัฒนาทิฐิเอานี้นะครับผมยกตัวอย่างหน่อยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อใครไหม หรือคนที่เป็นหมอเป็นระดับเป็นศาส ต, ตราจารย์เป็นหมอมันคิดเก่งปัญญาเขาดีไงพอคิดไปคิดมาแล้วทิถีไปจับครับมานาไปจับแล้วพวกนี้ไม่เคยเชื่อใครหรอกเังเกตดูทีมีหลักการเป๊ะหลอกงั้นเถอะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอถ้ากลุ่มพระเราก็เป็นนะที่เรียนเรียนเรียนมากๆแล้วไม่ระวังไอ้สองตัวเนี่ยไม่ระวังตันหากับมานะเนี่ย เออทิกมานะพม่ระวังเบ็ดเสร็จกลายเป็นคนทิถีกล้าเลยแล้วขอภัยอ๋อมานะทิถีคือคือไอตัวตัวตัวทิฐีกับมานะมันเป็นอย่างนี้ครับว่าในกรณีที่ตัวตัวทิฐีเนี่ยไอตัวตัวมานะไอมานากับทิฐีเนี่ย เวลาเวลาตัวทิฏฐิมันเกิดทิฏฐิมันเกิดเนี่ยมันมันเห็นด้วยความเป็นอัตตานะครับเห็นด้วยความเป็นอัตตายกตัวอย่างก็คือเหมือนเหมือนสัจจการทนิครณนะครับสัจจการนิครณเนี่ยเป็นคนที่มีทิฏฐิแรงมากทั้งมานะก็แรงเพราะว่าสัจจการนิครณเนี่ยจะมีความคิดว่าในแผ่นดินชมบูเดวีแเนี้เรื่องปัญญา ม, มีใครสู้แย่เวลาแกไปไหนหกให็ใช้เหล็กดามทองแย่ใช่ไหมใช้เหล็กดามทองกันไว้ ถ้าถามวดามทําไมความมีมานาขงแกแกบอกความรู้เนี่ยถ้าไม่ดามเข้าไว้เนี่ยมันอัดแน่นเข้ามาแล้วแตกหมดเนี่ยท้องจะแตกออกมาเพาไอ้ความรู้ที่ไปฝังแน่ น, น, นๆๆเข้าไว้เนี่ยแล้วก็แกขนาดนึกในใจว่าแกอยากจะโต้วาทากับพระสมนะโคดมแกว่าั้นว่างั้นแกท้าพระพุทธเจ้าแล้วแกไปคุยกับพระเจ้าฤาวีกับเจ้าฤาวีเนี่ยบอกว่าเออเจ้าฤาวีก็ชวนว่าเออไปเฝ้าพุทธเจ้าเธอๆๆว่า ง, งั้นเธอตอนนี้ พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกเป็นต้นแกบอกโอ้โ oh, หเรื่องอะไรจะไปไปไปไปไปเฝ้างพระเจ้าว่วางั้นเรื่องเรื่องอะไรเราจรึงจะไปหาพระเจ้าพระเจ้าสิต้องมาหาเราว่างั้นพระเจ้าต้องมาหาเราบอกว่าพบพระเจ้ารู้อย่างไรเราก็รู้อย่างนั้นว่างั้นไม่เห็นมีความจําเป็นเลยคนเช่นเราจะต้องไปหาพระเจ้าพระเจ้าต่างหากต้องมาหาเราและถ้าเราเจอกับพรนะเจ้านะว่างั้นเถอะเราจะจับท่านพระสมณะโคดมขอภัยนะ เราจะจับท่านพระสมณะโคดมเนี่ยว่างั้นเหมือนกับว่างั้นเหมือนกับช้างอ่ะเหมือนกับช้างอ่ะจับไปจับดอกบัวจับกอบัวในสาฟาดเล่นเช่นนั้นนี่นี่นี่นะนี่นี่นี่ประการหนึ่งมานามีคนลักษณะแบบนี้มันมันมันเยอะเยื่หยิ่งที่ตัวเงี้ยที่ถิมานาเนี่ยนะแต่ที่ถิ่มตัวหนึ่งนะที่ถิ่มคือความเห็นผิดไอ้มานาในความเยอะหยิ่งที่ตัวมานาในพระสูตรเนี่ยเขาแยกออกเป็นเก้าสำคัญตนว่า ตนเป็นผู้เลิศกว่าเขาก็สําคัญตนว่าเลิศกว่าเขาใช่ไหมอันนี้เป็นมานะมานะสูงเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเนี่ยก็เป okay. ็นมานะเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าต่ํากว่าเขานี่ถ้าระดับกลางก็เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาก็สําคัญตัวว่าเสมอเขาเห็นไหมเสมอกันเนี่ยสําคัญว่าเสมอก็เป็นมานะเพราะไปเทียบเราเราเทียบเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าต่ํากว่าเขา เนี่ยมนะเป็นผู้ต่ำกว่าเขานี่แหละสถานภาพหลายๆอย่างต่ำกว่าเขาจริงแต่เป็นสำคัญว่าสูงกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาสําคัญตัวว่าต่ำกว่าเขาก็เป็นไงนะอย่างอยู่ในตระกูลข้อทานก็สําคัญว่าโอ้เราต่ำกว่าเขาอไปเห็นข้อทานด้วยกันก็เราไม่เราก็ยังเราเสมอเขาไอ้กรณีเทียบเขาเทียบเราไงอันนี้กลุ่มมานะทีนี้ท่าถามบอกว่าในกรณีอย่างสัจรกาณิคนเนี่ยถามว่าพระพุทธเจ้าก็ไปไปถกกับพุทธเจ้า นะเธอคือยกเรื่องเปรียบเทียบแล้วจะเห็นอพอไปโถกพระเจ้าเพราะท่านสําคัญว่านี่มันตัวเราเนี่ยตาหูจมูกเิ่นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันตัวเราว่างั้นมันก็ของของเราเนี่ยมันจะเป็นของของใครได้ยังไงว่างั้นก็พอจริงๆแล้วเนี่ยอพอจะพวกเจ้าลิศ ชุยก็บอกว่าไปเถอท่านอาจารย์ไปเฟ้าพระเจ้าแกก็ไปไปเราจะมาเราจะไปแต่ก็ไม่ไปสักทีก็นั่งนั่งอยู่กันไปไปมาเจ้าลิจุยก็พากันดึงไปเนี่ยเพอไปต่อหน้าพระเจ้าจริงๆแล้วยังบอกด้วยนะแกบอกว่าแม้ถ้าไปเจอพระเจ้าเนี่ยไปเจอท่านสมณะโคดมเนี่ยสงสัยพระสมณะโคดมเนี่ยเหงื่อไหลออกจากแกละเน่นอนว่าไงแต่เห็นแกแค่นั้นเลยว่าไนเถอะแกแกก็คุยไปอย่างเงี้ยนะพอเข้าไปจริงๆมันเป็นตรงกันข้ามอย่างที่ว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย ใครเห็นก็ก็อัศจรรย์หมดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งรูปปั้นก็อัปมาโนพุทโธพอไปเห็นเขาจริงๆเนี่ยคนที่สัน่นคนที่เหงื่อไหลออกจากแผลคนที่ตกใจกล า, ายเป็นสัจจการนิคนพระพุทธเจ้าก็ถามไหนท่านว่าสัจจการนิคนไหนเธอคุยนะักคุยหนาะว่าถ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วจะจับพระพุทธเจ้าเหมือนกับช้างลงในสระจับคอบัวเข้ามาฟาดเล่นฉะนั้น หรือเห็นพระเจ้าแล้วแล้ ว, ลวพระเจ้าจะเหงือไหลออกจากจัก แ, แลเดี่ยพระเจ้าย้อนโอ้แล้วนี่โอ้เนี่มันเป็นเธอหมดเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็เถียงไอ้ถามปัญหาว่าไอ้เรื่องเนี่ยว่าไม่ว่ า, วาเธอบอกว่านี่เป็นของเราใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับทั้งหลายเป็นของเธอใช่ไหมถามสัจกะ บ, บอกว่าใช่ว่างั้น เป็นของข้าพระองค์นี่แหละว่าั้นเอ้าทําไมรูปร่างนุ่งเถืงมันน่าเกลียดอย่างเงี้ยไม่ไม่งามเนี่ยเธอทําไมไม่คอนโทรนมันงามเล่าใช่ไหมล่ะรูปร่างมันไม่งามเลยไหมไม่คอนโทรนมันงามเลยและไอไอที่มันงอกมันแก่เนี่ยมันวิบัติไปเนี่ยทําไมไม่ไม่คอนโทรบังคับมันสิว่าง้นให้มันเป็นอัตตนี่มันเป็นตัวตนนี่ก็บังคับสิอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงที่อย่าให้มันงอกที่ฟันอย่าให้มันหลุดหายไปอย่างเี้เป็นต้นตาอย่าให้มันฝ้ามัว ถามไปถามมาถามไปถามมาตอบไม่ได้เนี่ยพอตอบไม่ได้เบรศเสร็จปุ๊บถามทุกแง่ทุก ม, มุมในรายละเอียดเยอะไปดูในจุลศักสัจกาสูตรและมหาสัจกาสูตรในรายละเอียดนะถามถามสรุปเบรศเสร็จปุ๊บตอบไม่ได้นั่งนิ่งไม่ยอมพูดในด้วยมานะไงนี่ไงตัวปิดกัน้นสัจจะไม่ยอมปล่อยใจเชื่อว่าท่านพวกนี้หวังไงเดี๋ยวไม่ยอมปล่อยใจเชื่อไหมว่านี้เป็นพระเจ้าเชื่อ เชื่อเป็นสัปปัญญูเชื่อแต่ไม่ยอมมานะกดไว้มานะในกดตัวเองไว้ว่าถือดีไว้ว่างั้นจะไม่ยอมพูดนิ่งไม่ยอมพูดจนเดือดเดือดร้อนยึงเท้าสกาัใช่ไหมเท้าสกาัต้องต้อ ง, ต, องต้องมาจัดการถึงยอมบอกว่าไอ้ความเข้าใจตัวเองผิดแต่ก็แต่ก็ไม่ปรงใจเห็นไหมพอพระบรมศาสดาเทศจบปุ๊บ แม้พุทธทางสนานงก็ฉามิทำมังสนา낭ขะฉามิสังคังสนางก็ฉามิไม่พูดเลยนี่เห็นมาน้าหรือยังเห็นทิฏฐิมาน้ายังปิดกั้นอริยสัจก็เหมือนเนี่ยเรามาฟังคําสอนอะไรต่างเราฟังแบบมีท่าทีนะครับลองสังเกตนะฟังแบบว่าเเราก็รู้เดี๋ยวเราก็อ่านมาแล้วนี่ดูถูกอะไรดูถูกผู้ผู้แสดงนะครับอันนี้นี่เป็นมานะหนึ่งดูถูกผู้แสดงเห็นไหม ดูถูกผู้พูดนะครับเขาห้ามสองดูถูกเรื่องที่พูดนะเนี่ยเรื่องที่พูดโอ้ยเรื่องเก่ามันเล่าซ้ำซากพวกนั้นฟังแล้วฟังอีกเนี่ยลักษณะนี้เป็นมานาหมดนะครับสามดูถูกตัวเองอคนเช่นเราไม่ฟังลอกธธรรมะแบบนี้เฮ้ยเรายังอายุน้อยเกินไปต้องรออีกหน่อยแล้วถึงเข้าวัด เอ้ยเราแก่เกินไปแล้วไม่เพียงพอแล้วเราเราไม่ใช่วัยของเราที่มาฟังแบบนี้อุ๊ยเราเป็นพระมาฟังอย่างนี้ได้ยังไงมันต้องฟังอีกเรื่องหนึง่งนี่เราเป็นโยมมาฟังเรื่องเกี่ยวกับพระได้ยงไงนี่เขาเลดูถูกตัวเองประการที่สีก็คือไม่ตั้งโยนิโสมในสิกายนี่แจ้งหมดมาฟังธรรมะแบบเนี้ยอันนี้กลุ่มมานะกลุมมนะปิดกั้นหมดเลยแต่นี้ไม่นี่แหละที่ว่าพระถามเมื่อท่านอาจารย์ถามเมืม่มอกี้ว่ามานะ้าปิดกั้นสัจจะไหมปิดเลยเนี่ยปิดกั้นความจริง ไม่ปล่อยใจไปตามคันลองของคําสอนด้วยการที่ยกตนข่มท่านบ้างหรือเทียบเขาเทียบเราเป็นต้นบ้างที่สุวจริงๆคนที่เสียประโยชน์กลายเป็นตัวเองเนะฉะนั้นในสังสารวัตที่ผ่านมานี่เรานี่แหละครับทําไมเราไม่บรรลุไอ้สองตัวนี่แหละไอ้ที่ิมาน า, นนาเนี่ยเป็นตัวกัน้นเป็นเหตุทําให้เราบรรลุโอ้โหเราผ่านพุทธเจ้ามาไม่ใช่น้อยก็เพราะนี้แหละฉะนั้นถอดทิ้งได้ถอดเพราะงั้นเด้อถอดทิ้งได้ถอด แต่ใช่อะไรไปถอดทิ้งปัญญานะครับใช้ปัญญานั่แหละศึกอาจจะโลกสมมุติคืออย่างนี้ครับเนะเรื่องสมมุติกับบัญญัติเนี่ยคืออย่างนี้ในพวกเราเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะครับมนุษย์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมเนี่ย เราอยู่ในโลกของความในโลกของสมมุตินะครับอันนี้เป็นโลกของสมมุติแม้แต่สถานภาพของพวกเราก็เรียกว่าสมมุติสิสงใช่ไหมครับแต่เป็นสมมุติสิสงต้องปฏิบัติจริงหรือไม่จริงต้องปฏิบัติจริงนะไม่ใช่โอ้ห็นสมมุติ ส, สมมติสงไม่สนใจแล้วเป็นเรื่องสมมุติกันเล่นๆไม่ใช่นะครับก็สมมุติสิสงเนี่ยสงโดยสมมุติ แต่เป้าหมายของเราคือต้องการพัฒนาจากสมมุติสงส์ให้เป็นอริยสง์ซึ่งเป็นปรมัทสสงใช่ไหมท่านอาจารย์ตราบใดเรายังยังอยู่ในสถานภาพลักษณะนี้เขาเรียกสมมุติสงส์แต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถพัฒนาตัวเองเข้าถึงความเป็นปรมัทสสงทีนี้สมมุติี่สองนี่แหละเกื้อหนุนออถ้าหากกรณีอย่างนี้ก็คือพระเจ้าเนี่ยตั้งสมมุติสงส์ขึ้นมาตั้งสง์โดยสมมุติขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไร เป้าหมายเพื่อว่าให้สงเนี่ยตัดขาดจากโลกภายนอกคําว่าตัดขาดในที่นั้นก็คือจะได้มีเวลาในการที่จะมาขัดเกลาตนเองในการที่จะพัฒนาศิกขาสามนี่แหละมาเดินตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละว่างั้นเถอะเมื่อเดินตามศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็เอาสมมุติสงเนี่ยเป็นตัวตั้งนะเป็นฐานว่าเราเนี่ยเป็นสง์โดยสมมุติก็จริงอยู่แต่เป็นสมมุติที่ต้องปฏิบัติจริงและในขณะเดียวกันในพระพุทธเจ้าก็บัญญัติศิกขาบท ซึ่งเรียกว่าวินัยนี่แหละอันนี้ก็เรียกสมมุติเหมือนกันนะฮะเาเรียกว่าเหมือนว่าสมมุติสองในการที่จะดูแลใช่ไหมที่บอกว่าพัตตุเทศกะเนี่ยก็คือสมมุติภิกษุรูปหนึ่งมาเป็นผู้แจกพัตยาคูภา ช, ชากาเนี่ยนะสมมุติภิกษุสองรูปหนึ่งมาแจกยาคูข้าวยาคูหรือว่าจีวรณภ า, าชากาเป็นต้นเหล่านี้นะก็สมมุติภิกษุสองรูปหนึ่งมาทําหน้าที่แจกจีวร สมมติภิกษุสองรูปหนึ่งมาทำหน้าที่เก็บจีวรสมมติภิกษุรูปหนึ่งมาทำหน้าที่อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นเป็นเรื่องสมมุติแต่เป็นสมมุติที่ต้องปฏิบัติจริงนะครับเป็นสมมุติที่ต้องปฏิบัติจริงเห็นไมถามว่าแม้แต่เราอยู่ในวงการสงฆ์เราก็มาอยู่ในโลกของสมมุติเป็นส่วนใหญ่ใช่หมครับแต่สมมุติที่พระบรมศาสดาทรงตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นสมมติ ท, ที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะเราเดินเข้าสู่ โรคของความเป็นจริงได้เห็นไหมก็แปลว่าอะไรแปลว่าเออนี่แหละพอเราเข้ามาในสู่ความเป็นสมมุติสงฆ์แล้วก็สงฆ์ก็รับรองเราว่าในฐานะเป็นพระภิกษุว่างั้นเธอะที่เรียกยัตติเจตุถกรรมวาจานี่แหละว่างั้นเธอเนี่สมมติขึ้นมาแล้วเธอได้เป็นภิกษุขึ้นมาในวรพุทธศาสนาแล้วพระอุปชาก็บอกใช่ไหมที่ท่านอาจารย์ที่เป็นพระธรรมเทศนที่เป็นอุปชาไหมลู้คงเยอะๆนี่เยอะเลยใช่ไหมครับเอออย่างเงี้ยต้องถามอุปชาเนี่ยชัดเลยเนี่ย อุปช า, าจารย์เนี่ยบวชพระมาเยอะแล้วเนี่ยออนําเข้าหมู่คณะแล้วก็ให้สงไม่ใช่อุปชาเป็นผู้ผู้บวชนะสงอรับรองใช่ไหมละ่ะสงอรับรองในความในฐานะที่อุปชาจะเป็นผู้รับรองมาแต่สงเนี่ยเป็นผู้พิจารณาเลือกแฟนว่าท่านคนนี้สมควรหรือไม่ใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นทนีนี้นี่เราอยู่ในโลกสมมุตินี่แหละแต่เพราะโลกสมมติตรงนี้นี่แหละถ้าเราไปหลงมัน นะครับไม่เอาเป็นฐานต่อการที่เข้าสู่โลกของความเป็นจริงที่สุดจริงๆไอ้โลกของสมมุติมันก็ปิดตาปิดใจดิชาวบ้านไม่ต้องพูดถึงเอาเอาว่าเป็นขนาดนักบวชนี่แหละเนี่ยเราก็จะเดินนั้นถ้าร้อยละเก้าสิบเนี่ยเราอยู่กับโลกสมมตุตินะครับร้อยละเก้าสิบเนี่ยเราอยู่กับโลกสมมุตินี่แหละแต่สมมุติที่จะต้องปฏิบัติให้จริงตามขั้นตอนตามหลักการที่พระเจ้าประทธ์บัญญัติไว้ พระพุทธเจ้าบัญญัติศิกขาบทแต่ละข้อเนี่ยบัญญัติด้วยพระสัพพัญญญาญครับแต่การบัญญัตินั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นบัญญัติแบบอัตโนมตัติแต่พระพุทธเจ้าปรึกษาสงฆ์ใช่ไหมเพื่อความพร้อมเพียงนะเพื่อความเห็นชอบข้อมู่สง์ในข้อแรกเลยแนะอันนี้สง์การบัญญัติพระวิรยัยไปดูเถอะใช่ไหมเพื่อความพร้อมเพียงเป็นต้นเป็นไปตามลําดับพู้ทีนี้ทีนี้ตรงนี้นี่แหละฉะนั้น สิกขาบททุกสิกขาบททั้งหลายที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้เนี่ยหนึ่งโดยมติของสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขฉะนั้นจึงเป็นมติที่ที่ถอนไม่ได้เพิกถอนไม่ได้ไม่เพิกถอนได้ยังไงเล่นเอาเป็นมติสงฆ์ใช่ไหมที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระประมุขแล้วทุกวันนี้ล่ะเราเอามติสงฆ์แต่ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนอยู่เป็นประมุขเราจะไปถอนอยังไงใช่ไหมล่ะ เพราะตอนนั้นตอนที่พระองค์จะเสด็จดับขันเทวดาิธีพานพระองค์ก็บอกแล้วสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยไอ้ตรงนี้ตีความกันเยอะไงสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องของกฎสมมุติก่อนนะสิกขาบทเล็กน้อยนี่แหละว่างั้นถ้าพวกเธอเห็นว่าในการต่อไปเนี่ยที่ปรารถนาจะเพิกสอนเนี่ยถ้าเป็นความปรารถนาของสงส ง, สงกว่าพึงจะเพิกถอนได้เป็นต้น อ, อคําตรงนี้ต่อมาต่อมามีการยกเรื่องนี้เข้ามาสู่ปฐมสังทยนาครั้งแรก ที่ตอนพระมหากสบเป็นประธานใช่ไหมท่ามที่ทํามที่ ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท, ท่าสัตบัรญคูหาภูเขาเวพาแะบัรฑโพธก็มีการยกขึ้นมาบอกว่าอะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยยกขึ้นมาประชิก4ี่เป็นสิกขาบทนอกยกเว้นประชิก4นอกนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อยใช่ไหมยกเว้นประชิกสีสังฆาทิเษสิสามนอกนั้นเป็นสิกขาบทสิกขาบทเล็กน้อยไม่กะไลไปตามลำดับนักเข้าตะเข้ า, ขามติที่ประชุมสง์ไม่สามารถหาข้อยุติได้ว่าอะไรเป็นสิกขาบทเล็กน้อย ก็เลยบอกว่าเออเมื่อเมื่อไม่สามารถหาข้อยุติได้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเห็นการไกลว่ า, าถ้าเราไปดึงหนึ่งสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยต่อไปมันจะรันนะต่อไปสงในอนาคตเนี่ยก็จะพากันตั้งมติกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะเพิกถอนกันเรื่อยแล้วจะเสียหายแล้วจะกระรุ่งกระลิ่งมากเทราวัตจะไม่เป็นอย่างทุกวันนี้หรอกเพางั้นเดี๋ก็เป็นยงมหายานที่เป็นเราก็เห็นอยู่ เ อ, อเห็นไหมเห็นความชาญฉลาดของสง์ที่มีพระมหากรสเป็นประธานไหมล่ะท่านไม่ละเลยแม้แต่ปัญหาเรื่องนี้ที่พระเจ้าทรงอนุญาตท่านเอาเข้ามาสู่มติของที่ประชุมสง์และที่ประชุมสง์พอพิจารณาเบียเสร็จแล้วก็ถ้าพูดกันโดยตรงก็เราไม่มีเราไม่อาจเราไม่อาจจะไปวิฉัยเราไม่มีอาจจะมิอาจจะไปเดาได้ว่าพุทธประสงค์เนี่ยคำว่าสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรส่วนพระองค์นั้นเน่ย โยนปัญหามาให้สง้ด้วยความให้สง์เนี่ยเป็นใหญ่จริงอยู่แต่สง์มาปรึกษากันแล้วสง์ก็ไม่สามารถจะรอบรู้หรือว่าถ้าพูดกันโดยตรงกับสง์ก็ไม่ใช่พระเจ้าก็ไม่สามารถจะรู้พุทธประสงค์อย่างแท้จริงได้ว่าสิขาบทเล็กน้อยนี่คืออะไรอยากกันนั้นเลยเราจะคงรักษาไว้ทั้งหมดว่างั้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนจะไม่เพิกถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่างั้นนะ จะไม่เพิ่มเติมสิ่งที่พระ อ, องค์ทรงบัญญัติไว้แล้วจะสมาทานศึกษาในศิกขาบทอย่างเคร่งครัดใช่ไหมครับเออตรงนี้นี่หลักตรงนี้อันนั้นแปลว่าผ่านมาติสงและทั้งหมดที่ทําสังฆทานากันมาตามลำดับหนึ่งสามสี่หจนถึงฉัตรถสังฆนานทั้งที่หก็ไม่มีการไปแตะต้องเลยเอออันนี้ก็รักษาหลักการในนี้กฎสมมุติเป็นกฎที่จริงจังเพราะตั้งโดยสง์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุกนะที่มีพระเจ้าเป็นประธาน ทีนี้ถามว่ากฎตรงเนี้เป็นกฎสมมุติเนี่ยจะเอื้อต่อการที่จะสามารถทําให้เราจเจริญในพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าได้อย่งไรเ อ, อ่อตรงนี้ถ้าพูดอย่างเคร่งครัดนะครับแม่นี้เจาะลงมาประเด็นตรงนี้นะเพราะจริงๆจะตักตรงนี้พอดีประเด็นคําถามนะถ้าจะพูดอย่างเคร่งครัดเนี่ยวินัยนะพูดแบบเคร่งครัดนะครับไม่ใช่พูดแบบหลุ่มๆนะวินัยยังไม่ใช่ศีลนะครับวินัยยังไม่ใช่ศีล พูดแบบเคร่ครัแต่ถ้าพูดลวมๆนะวินัยกสีนึงบางทีก็พูดปนกันเพราะภาษาบาลีกับภาษาไทยเนี่ยพูดกันไปพูดกันมาเบียร็จแล้วก็คืออย่างนี้เช่นบัญญัติศิกขาบทวินยัยนะบัญญัติว่าเอ่อพิกสุเนะนะี่ยนะเพียรพยายามในการที่จะยังสงให้แตกจากกันนี่นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็กำหนดอาบัตนะ กำหนดอบัตว่ารายละเอียดรายละเอียดว่าอันนี้คือหลักวินัยเป็นเหมือนหลักกฎหมายนี่แหละหลักวินัยก็พูดแบบคร่าๆวๆไว้แต่ถ้าตัวศีลจริงๆเป็นตัวธรรมะครับอยู่ในชุดกองศีลสมาธิปัญญานีต้องแยกกันนะตัวศีลเป็นตัวธรรมะเป็นตัวสภาวธรรมแต่วินัยเนี่ยเป็นกฎสมมุติที่บัญญัติเป็นตัวหลักศึกขาบทเป็นข้อศึกษาวินัยเนี่ยเป็นข้อสังเกตดูไหมว่า วินัยมีสองรอยี่สิบเจ็ดสิกขาบทใช่มสอง้ยยี่บเ็ดข้อนั่นเองส่วนวินัยนี่เป็นตัวตัวสิกขาสิกขาบทใช่ไหมคําว่าสิกขาบทอ่ะเป็นข้อเป็นข้อฝึกนะครับสิกขาบทเป็นข้อฝึ ก, ค, กคือฝึกก็คือเดินตามวินัยเพื่อให้เข้าถึงศีลท่านท่านมหาพงคงมองเห็นนะตัววินัยเนี่ยเป็นข้อฝึก ฝึกอะไฝึกอะไ ร, ฝ, ะไรฝึกกายฝึกวาจาให้เรียบร้อยเพื่อจะให้เป็นศีลนะครับฝึกกายฝึกวาจาควบคุมกายควบคุมวาจาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายเพื่อจะได้เป็นตัวศีลเพราะศีลจริงๆเป็นชื่อของเจตนาครับเจตนานะเป็นศีลความไม่โลภความไม่โกรธพวกนี้นะที่ไม่ล่วงละเมิดสิขาบทนั่นแหละตัววิรัติคือวิรติทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวสภาวธรรม แต่วินัยเนี่ยเป็นตัวข้อวินัยวินัยเป็นตัวตัวบัญญัติเป็นกฎบัญญัติกฎสมมุติสิกขาบทก็เป็นข้อฝึกเห็นไหมว่าวินัยเนี่ยมีทั้งหมด227ยสิกขาบทฉะนั้นถ้าบอกว่าฝึกตามสิกขาบทนั่นแหละเดินตามถ้าวินัยเนี่ยพูดโดยโดยรวมเห็ไหม พูดโดยรวมเลยพูดโดยองคาพยพโดยรวมทั้งหมดและในตัววินัยเองก็เป็นข้อเป็นข้อข้อที่หนึ่งข้อที่สองนั้นเป็นเรียกข้อฝึกนะข้อฝึกหรือตัวสิกขาบทนั่นแหละฝึกให้มันเป็นศีลกันมาฝึกให้เป็นเนื้อเป็นตัวให้ให้ศีลเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวแต่ละข้อดังนั้นถ้าเราอยู่ในพระวินัยสังเกตดูนะบางครั้งเป็นวินัยแต่ไม่เป็นศีลยกตัวอย่างนะอายกตัวอย่างทางโลกดีกว่าอ่าใครใครขับรถเป็นบ้างะ พระไม่ได้ต้องถามโยมเลยถามพระขับรถก็ยุ่งเวลาเราขับรถตามกฎจราจรเน่ยตามวินัยจราจรเนี่ยใช่ไหมขับซ้ายขับขวานี่เรียกขับตามกฎจราจรนี่ถูกวินัยเป๊ะเลยนะแต่ไม่เป็นศีลยังไงรู้ไหมขับไปโกรธไปเครียดไปครเคยเป็นไหมล่ะขับไปก็บ่นไปด่าเข้าไปเครียดไอ้นี่ขับแซงไอ้คนนั้นขับไร้มารยาทไอ้คนนี้ขับไม่ได้เรื่องเออไอ้คนนี้ขับเ่อยชั่วหน่อยอะไรเงี้ย ใจที่วุ่นว้าวุ่นอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกได้วินัยแต่ไม่เป็นศีลไม่ได้ไม่ได้ฝึกตัวเองเขาเป็นสู่ศีลจริงๆไม่ได้สัมรวมกายวาจาและใจ้ตัวเองก็ไม่มีสุขอะไรยังพระก็เหมือนกันเหมือนสมมตินะผมเนี่ยรักษาวินัยจริงแต่ผมเครียดนะี่ยงดเหงีย ต, ตลอดเนี่ยผมเหมือนอยู่ในวินัยจริงเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้ฝึกตามสิกขาบทให้มันเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นศีลให้เป็นเนื้อเป็นตัวขึ้นมาผมเลยได้แต่เพราะเดินตามวินยัยแต่ตัวศีลมันไม่เกิด พอมองเห็นไหมยากหน่อยไหมเนี่ยอันนี้ถามเลยยากตรงนี้แหละฝึกตัวนี้แหละตัวเพราะเราอยู่ในกฎสมมตุติต้องการพัฒนาตนเองนั้นเข้าสู่กฎของความเป็นจริงคือเจตนาศีลเข้าสู่ศีลในทึงเว้นตัวธรรมะตัวสภาวธรรมแล้วก็พัฒนาจากศีลเข้าสู่สมาธิพัฒนาจากสมาธิขึ้นสู่ปัญญาเห็นไหมนี่คือกฎนี่กฎของความเป็นจริงนี่กฎธรรมชาตินะธรรมชาติของสภาวธรรม เมื่อเราได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแล้วมันก็จะทำลายความทุศีลได้สมาธิก็ทำลายความฟุ้งซ่านได้ปัญญาก็ทำลายความบอดความหลงเห็น ไ, ไหมฉะนั้นเข้าอยู่ในกฎสมมุติที่พระพุทธเจ้าตั้งเขาไว้นี่แหละเดินตามศีลสมาธิปัญญาแล้วจะได้ทำลายความมืดบอดนะทำลายความไม่มีศีลทิ้งไปทำลายความฟุ้งซ่านทิ้งไป แล้วก็ทำลายความมืดบอดทิ้งไปก็กลายเป็นเดินตามศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงกฎธรรมชาติแล้วก็แทงตลอดสัจจะเข้าถึงกฎความจริงของชีวิตนีนเป็นอย่างนี้ครับนี่เลยลากยาวเลยในประเด็นปัญหานี้เพราะว่าหนึ่งถามเรื่องสมมุติกับเรื่องกับไอ้สภาวธรรมอามีอีกแล้ว อ๋อ oh, ตรงนี้คืออย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ย <c oughs> ไม่ถือว่าเป็นการไม่ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมเพราะอันนั้นก็บอกอยู่แล้วเป็นระเบียบของวัดอันนั้นเพื่อจะทําให้หมู่ให้คณะนั้นน่ยมีการมีกติกา ร, ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นะฉันเวลาหกโมงครึ่งนะเนี่ยแปดโมงครึ่งให้มารวมกันที่โพธิคยาไยนะเนี่ยเก้าโมงฟังทำแล้วก็มีการฟังสัมผัสอีบากอย่างเงี้ยอันนี้เป็นระเบียบที่ตั้งขึ้น ถามว่าไปขัดกกระโดดของมุริย่าไม่ไม่ขัดนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่ขัดเป็นการเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ถ้าขัดจริงๆต้องอย่างนี้สิห้าไปบัญญัติบอกว่ า, าวัดนี้หลังจากเพลิไปแล้วก็กินข้าวเย็นได้ก็กินข้าวได้ไอ้อย่างเงี้ยขัดแน่นอนถ้าอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยขัดแน่นอนอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยนะก็ต้องดูว่ า, ากฎระเบียบบางทีตามสถานที่ต่างๆก็บางทกีก็ตั้งขึ้นมาแต่ก็บางอย่างก็ บางที่ผมก็ไม่อยากจะเจาะในรายละเอียดนะถ้าไปเจาะบางบบางบางประเด็นเนี่ยเราก็เห็นว่าเออขาดจริงๆอ้างขอยกเลยนะครับในกรณีศึกษานะแต่ไม่ได้เรื่องการทําหนีนะอย่างยกตัวอย่างเช่นการเคารพกันเนี่ยถ้าพระเจ้าจริงๆเนี่ยถือการเคารพตามพรรษาแต่พรบคณะสงฆ์ให้เคารพกันตามสมณศักดิ์เอออย่างเงี้ยเนี่ยเอออย่างเงี้ยเข้าใจอย่างฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องเคารพกันตามลําดับพรรษาใช่ไหมละ่ะพระเจ้าบอกไว้แล้วตอนไหน ออตอนที่จะบรปนิพพานก็บอกไว้และอย่างหนึ่งก็คือมีอยู่ข้างหนึ่งที่พระนรนเนี่ยวัสกาลพามไปถามพระนรนวัศกรมก็วัสกาลพรรมามเนี่ยใครรู้จักวัสกาลพามไหยรู้จักไหมครับเลยจะเคยศึกษาประวัติท่านไหมวัศกาละพามเป็นอะไรกับพระเจ้าชาติตูเป็นอมาตะนะวัสกาลพามเป็นคนเก่งหรือไม่เก่ง เก่งทำไมตายไปเกิดเป็นลิงขางโคเออล้วฉลาดทางโลกว่างั้นเถอะนะฉลาดทางโลกนั้นวสกรารพรามเป็นคนที่มีที่ดีมณะชัดมากแล้วเป็นคนต้องยอมรับ ว, ว่าฉลาดเนี่ยลักษณะนี้เห็นชัดว่าเพราะความฉลาดของของวสกาลพรามณ์นี่แหละเจอพระเจ้าแต่ไม่ได้ดีในดีเนี่ยเพราะไปปัญญาเกิดหนึ่งครั้งตนะมาน่ที่ติไปรุมเล้าเป็นพันพันครั้ง อันนี้น่ากลัว ม, มากนะต้องระวังนะทุกคนมีหมดนะไอแบบแบบนี้นะเพียงแต่ใครจะระวังตัดรอนมานะที่ถึงตัวเองได้หรือไม่แค่ะนะั้นเองฉะนั้นวัสกราพรพามเวลาไปถามมุรเจ้าเรื่องเรื่องสามคัคคีเรื่องความปองดองแต่ท่านจะคิดอีกมุมนึ่งทำไงคนแตกแยกกันกจคิดมุมกลับทันทีถ้าเขาพูดเรื่องดีจะคิดเรื่องชั่วถ้าคิดเรื่องสามคัคคีเราคิดเรื่องการแตกแยกถ้าเขาคิดในเรื่องของความละความปรารถนาดีจะคิดเรื่องความโกรธเนี่ยนะแกจะหักมุมกลับ โดยมากใจมันแล่นไปทางความชั่วได้เยอะอยู่แล้วทีนี้นั้นเวลาแกไปตอนนั้นที่ไปฟ้างพระุทธเจ้าตรงเวสาลีแกไม่ได้ไปเพื่อศรัทธาพุทธเจ้าแต่ไปวางแผนการลบนี่เงี้ยเป็นต้นนั้นแกไปนะที่ไหนต่างๆแนะกมั่นใจในปัญญาของแกมากนี้ว่าสกาภาวจะเป็นยางไงเออมีอยู่ครั้งหนึ่งแกไปไปหลังจากพระุทธเจ้าปฏิทนิพพานเบีเสร็จแล้วตอนนั้นแกเข้าไปหาพระนนท์แต่มีอามาดคนหนึ่งสนธนาอยู่ก่อนแล้วนะแกไปทีหลัง พอไปที่หลังเบสเสร็จก็าไพูดข่มเขาหมดแหละแกเป็นคนที่ฉลาดนี่พูดปวัตปร ะ, ประขมอมามันันก็เหมือนโกรธก็ถามพระนนบอกพระนนท์เออบอกท่านข้าแต่ท่านพระนนว่างผู้เจริญเน่ะนนะตอนนี้พระบรมาสรารีาัริ์นิพพานไปแล้วเนี่ยตอนที่พระเจ้าะปรินิพพานแล้วพระเจ้าตั้งใครเป็นหัวหน้าถามนี่นะถามกวนนะัจริงๆวิสการลาภเนี่ยถามถามแม้ถ้าวัสกรรกาลามาเกิดในยุคนี้ผมว่าพวกเราโดดหนีกันหมดเลยเนี่ยไม่รู้จะตอบปัญหาท่านยังไงใช่ไหมละ เหมือนอยังไงเหมือนเหมือนเหมือนพญามิรินเนี่ยพญามิรินโอ้โหเล่นพระวัดล้างเลยอวัดล้างเนลยไม่มีใครอยากต่อกอท่า น, นใช่ไหมไปเจอคนถามมากๆเข้าบางทีน่าลำคาญใช่ไหมล่ะบางทีเออบอกไปแล้วก็สงสัยอยู่นั่นแหละบอกีปแล้วก็สงสัยอยู่ในั่นประเภทอย่างเงี้ยน่าลำคานไหมครับถ้าไปเจอคนแบบเนี้ยเอสงสัยไม่จบไม่สิ้นอะไรเงี้ยนีอะไรนะไม่ใช่ก็ จริงๆก็คืออย่างนี้หนึ่งถ้าอย่างพญามิรินน่ะแกแสวงหาปัญญาแต่ว่าสการาพามเนี่ยสแสวงหาทิฏฐิเป็นคนละ ม, มุมกันนะเออถ้าหากว่าว่าสการาพมก็ไปถามถามถามถา ม, ถามบอกว่าเออเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิทินพาแล้วพระพเจ้าตั้งใครพระนวลบอกว่าไม่ได้ตั้งเอ๊ะการปกครองกันถ้าไม่มีหัวหน้าอยู่ได้งไงนี่ถามนี่นะ เออแปลกนะเหมือนกับพระเจ้าวดินเนี่ยเวลาจะสวรสดนคตมเนี่ยก็มีราชทายาทขึ้นมาก็สถาปนาตั้งพราะจะต้องมีการปกครองแล้วอยู่กันยังไงอยู่อย่าไม่มีหัวหน้าเอว้าเวนีพวกท่านเนี่ยไม่มีหัวหน้าอย่างนี้เป็นต้นเอาถ้าเจอปัญหาของว่าสการลาามถามมีอะตอบท่านไงดีนะพระนอนตอบให้ใช่ไหมก็ตามไปดูพระนอนตอบหน่อยพระนอนก็ถามบอกว่าพระนอนก็บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ตั้งไว้ แล้วท่านเคารพเออแล้วแล้วแล้วท่านเคารพเออท่านอยู่กันยังไงอยู่ยังไม่มีหัวหน้าพระนรนก็บอกไม่ใช่เราไม่มีแต่เราเคารพาพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเป็นาศาสดาของเราอ๋อพระธรรมอยู่ยังไงอลไซักถามไปตามลําดับเนี่ยนะระ่ว่างนั้นพระธรรมอยู่ยังไงพระนรนก็ต้องยกตัวอย่างให้เห็นบอกว่าเอาแล้วนี่นะบอกว่าเออแล้วถ้าท่านเคารพกันยังไง พรนนก็บอกเราเคารพพระเจ้าว่าเราเคารพการตามลําดับพรรษาผู้บวชก่อนผู้บวชหลังก็เคารพกันในฐานะเป็นพระเถระเป็นมัชชิมะเป็นนวกะก็ไล่ไปตามลำดับเออแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วไม่มีใครเป็นหัวหน้าอย่างนี้แล้วเวลาว่ากล่าวกันเนี่ยเกิดมีการทําผิดพลาดขึ้นมาว่ากล่าวยังไงแล้วใครจะไปฟังกันพระนรนก็บอกว่าเวลาเข้าในการประชุมของสองเช่นโรคอุโบสถดอย่างนี้เป็นต้น แล้วก็เมื่อประชุมกันเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีถ้าท่านผู้ใดกระทําผิดนะกระทําผิดก็จะมีการประชุมเมื่อประชุมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยพระธรรมวินัยก็จะมีการว่ากล่าวว่าท่านผู้นี้กระทําผิดเขามาว่ากล่าวไม่ใช่ท่านผู้นั้นเป็นผู้ว่ากล่าวนะพระธรรมวินัยคือพระบรมศาสดานั่นแหละเห็นไหมภิกษุก็จะตั้งภิกษุสงฆ์รูปหนึ่งที่มีความรู้มีความสามารถในการ กล่าวคำสอนนั่นแหละว่างั้นคือเอาคําสอนของพระเจ้าซึ่งเป็นตัวพระธรรมวินัยเป็นตัวโมว่ากล่าวตักเตือนอบรมแนะนำพร่มสอนฉะนั้นไม่ใช่อย่างสมมุตินะถ้าอย่างผมมากล่าวพระธรรมเป็นไปตามลําดับอันไหนผิดอันไหนไถูกไม่ใช่ตัวผมนะไปพูดว่ากล่าวตักเตือนนะแต่พระธรรมวินัยหมายถึงพระบรมศา ส, สดาต่างหากเป็นเป็นองค์ของการว่ากล่าวแนะนำพร่มสอนฉะนั้นการพวกอธมาเนี่ยก็เคารพพระธรรมเคารพพระธรรม ว่า ง, งานเธอพระธรรมก็คือเคารพรศาสดาพระศาสดานั่นเองบอกอาตมาว่าสิ่งนี้ควรแก่เธอทั้งหลายสิ่งนี้ไม่ควรแก่เธอทั้งหลายนั้นอาตมาก็เคารพพระธรรมแต่เวลาจะเคารพกันโดยฐานะเป็นพระเถระตามมัชิมา ห, หรือนาวิกะก็ลําดับตามราษาก็เคารพกันเป็นไปลักษณะอย่างนี้มีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นก็เข้าสู่โรงโวโสถประชุมกันทุกกึ่งเดือนนั้นถ้ามีใครมีประพฤติผิดพระธรรมวินยัยนั้นพระธรรมวินัยก็ผ่า น, ผ, านผ่านพระสงฆ์ นั่นแหละผ่านโตัแทนผ่านสง์นั่นแหละเป็นผู้นําพระธรรมวินัยนำพระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่ากล่าวตักเตือนเองนั้นถ้ามองในลักษณะ น, นี้ฉะนั้นพวกอาตมาไม่ใช่ไม่มีผู้นายังมีผู้นาอยู่คือพระธรรมวินัยเป็นผู้นําคือพระศาสดาและไม่ใช่จะไม่เคารพกันอาตมา ก, ก็เคารพกันโดยลําดับการบวชก่อนบวชหลังอย่างนี้เป็นต้นวัสกสารามฟังแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมไปศรัทธานะยังบอกว่าข้าแต่พระเทหละ ผมมีกิจมากมีธุระมากผมจะต้องไปบริหารราชการแผ่นดินก็ลุกไปเลยไม่ทันฟังจบเสร็จสอบอะไรเรียบร้อยเท่าไหร่ก็จะรีบไปเป็นแบบเนี้ยเหมือนคนฟังทำมันทำมาไม่ทันเสร็จเนะี่ยเรื่องมันเยอะเดี๋ยวเองมีคนมามาซื้อของเลยต้องรีบลงไปแล้วอย่างงี้เปต้นอย่างนี้อนอยอันนี้สมมติไงอันนี้สมมุติอันนี้สมมติแล้วไม่รู้จะยกตัวอย่างเลยอันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไว้ทันบ่าย เอาไว้พากัน